ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายร่มพระโพธิญาณรายการพิเศษในวันนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังไปศึกษาก็เรียกว่าจริยาวัดของพระโพธิสัตร์ในสมัยที่ยังทรงพยาวก็ถือว่าเป็นแบบของชีวิตเป็นลีลาชีวิตของยุวะกุมารยุวกษัตริย์ จนจเจริญไปชนพรรษาไปถึงยี่สิบเก้าพรรษาเนี่ยตัวนี้ที่จริงเป็นแบบเป็นลีลาชีวิตที่น่าศึกษามากทุกขั้นตอนเลยนะก็จะยกมาบางประเด็นเพราะว่าเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารที่น่าเป็นห่วงเพราะจากอ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความบกพร่องมีปัญหาที่น่าคิดต่อไป ถามาทำไมทำไมทำไมเนี่ยในสุดมันจะตันเพราะว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงแล้วก็สื่อในลักษณะเป็นอันมากนะที่เรารู้ไม่เท่าทั น, น, นอาเมงอยังตั้งขอ้งขอสังเกตก็อินเทอร์เน็ตในที่จริงเหยตัวเองยังไม่เคยเห็นนะฮะแต่ว่าอ่านจังต้องสื้อพิมพ์ต่างๆก็มองเห็นว่าตรงเนี้ที่จริงมันมีคุณอันต์แต่ก็มีโทษมหาหัน เราได้ขาวไวรัสตัว น, นี้ก็กำลังรณรงค์กันอยู่แล้วก็เสียเงินเสียทองไปแยะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือถ้าหากว่าถูกใช้ไปในการทำลายเนี่ยตอตั้งสมมติฐานให้พระท่านฟังสมมติว่าใครต้องการทำลายพระสังรูปหนึ่งตัดหัวพระที่คอเนี่ยต่ายภาพแล้วก็ตัดหัวที่คอนี่ไปสวมผู้ชายคนใดคนหนึ่งเขาที่สวดงรูปร่างคล้ายกันทาน แล้วก็ไปอยู่กับผู้หญิงก็ตัดต่อทั้งหมดนะภาพทั้งหมดเนี่ยตัดต่อทั้งหมดในแง่ของความจริงแห่งยุคสมัยเนี่ยเราจะพบว่าคนเชื่อมากกว่าไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะคนที่จะเข้าใจเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีน้อยนั่นก็แสดงว่าใช่ทำลายล้างคนได้เยอะก็หลายปีมาแล้วที่ได้ยินดัชเชสแห่งยอก ของอังกฤษนะคกุสัเนะี่ยก็ถูกเอาคอตัดคอเนี่ยไปสวมนางแบบเปลือยแล้วก็เผยแพร่ไปกว้างขวางคนก็เชื่อเยอะคนก็ไม่เชื่อก็มีคนเชื่อก็มีใ้สื่อในลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเรามามองดูถึงปฏิปทาของเจ้าชาิจิตตถะในยุคสมัยที่สื่อมันไม่สลับซับซ้อนนะนะ มีการวินิจฉัยสื่อและการหาประโยชน์จากเรื่องต่างๆนี้ได้ดีมากประการแรกคือเรื่องของความสงบสังคมไทยมีปัญหาสุขภาพจิตจนิสูงตามตัวเลขที่มีการบอกกล่าวกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนรักษาโรคประสาทเนี่ยมันจะมีน้อยโรงพยาบาลประสาทมีงานไม่ค่อยมากสมัยมอประสบเรนนี่ว่ากันว่ามารอคิวตั้งแต่ก่อนรุ่งแนละ้ว จะเริ่มจากคิดตีเท่าไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ข่าวคราวที่แสดงออกมาก็เห็นว่ามีอาการทางจิตประสาทอยู่สูงจะถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม่พยายามสงบจิตมีวิตกกังวลแล้วคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆย่าวังก่อนที่ดูข่าวเล็กๆนะแต่เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ30ต้นๆนนะ่ย31 32เดือนเะกระโดดในบึงตายโดยเอามือลูกสาวอายุ5ขวบเนี่ยมาติดกับตัวเองแล้วก็เอาลูกตายตามไปด้วยโดยความคับแค้นใจที่สามีไปมีเมียน้อยนั่นคือการคิดในลักษณะที่ไปให้ความสำคัญกับสามีมากกว่าชีวิตมากกว่าลูก แล้วทำนองว่าตัวเองถ้าไม่มีสามีแล้วจะตายไปจะอยู่ไม่ได้โดยลืมไปว่าเราโตมากว่าจะพบสามีเนี่ยทำไมเราอยู่ไม่ได้ล่ะแล้วลตอนนี้เราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีลูกมีเจ้าต้องรับผิดชอบนะอยู่ต่อไปไม่ได้เชื่อหรอนั่นคือลักษณะพ่ า, ายแพแต่อโชคชะตายอมสยบกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเพราะที่จริงแล้วเนี่ย การอยู่ร่วมกันของคนเนี่ยมันไม่จะอยู่ร่วมกันตลอดไปคนมาเจอกันระหว่างทางแล้วก็อาจจะต้องแยกกันในระยะสั้นๆก็ได้ไม่แยกอย่างอื่นก็แยกโดยการตายเป็นของแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าคนจะไม่คิดเป็นระบบอย่างที่บอกเนี่ยพระเจ้าชาติทาเ น, นี่ยเราลองสังเกตว่าท่านอยู่ท่ามกลางแสงสีที่วิจิตรมากถ้าจะเทียบกับปัจจุบันเนี่ย สำหรับในวังของเจ้าชายจิตตถานะมันมีจิตพิสดารมากป่าปัจจุบันเดียวก็รไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องวิ่งไปหาเขาหรือแม้แต่ออกมาทางสื่อต่างๆนะเราก็ต้องเปิดดูแต่เจ้าชาตจิตตถามัไม่ใช่มันสื่อวิ่งมาหาท่านหมายความมาสาวสารกับนันนยทั้งหลายมาบำรุงบำเรอ ม, มาชบชวา บ, วบมาขับร้องมาประโคมดนตรีอะไรตไร่างๆ ตามห้อมล้อมซึ่งที่จริงก็น่าอึดอัดกันนะเราจะเห็นว่ามันตอนทรงพระเยาว์นั้นไม่ค่อยแปลกอะไรหรอกแต่มาความมาหลังจาก16ปีไปแล้วจนถึง29เนี่ยมาทั้ง10กว่าปีนะเบื่อตายว่าพระไทยเขาไม่องอ่อนไหวเนี่ยคงจะมีพระราชโอรสพระราชธิดาเยอะเลยไม่มีนะมีองค์เดียวนั่นเองแม้กับพระนาง ยโสธราพิมพานั่นแสดงว่าพระไทยไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์ที่ถูกปรุงแต่งให้ใคร้ให้ปรารถนาให้พอใจให้รื่นเริงให้บันเทิงหมายความว่าเหยื่อนี่เยอะเลยแต่ปลาฉลาดไม่ยอมกินเดยื่อเลยจึงไม่มีพันธนาการผูกมัดอะไรจนรุงรังแล้วก็สลัดไม่ออกนั่นก็เป็นแนวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าท่ามกลางอารมณ์ที่ปรุงแต่งเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ตัวอารมณ์เราแต่มันอยู่ที่ใจของเราเราอยู่ในยุคของเรียกว่ามีโปรดักต์มีโปรโมชั่นคือมีการผลิตที่สลับซับซ้อนมีสีสันมีแสงมีอะไรมีรถแรกแจกแถมมีสารพัดนะมันเข้าไปศึกษาสภาพความต้องการประังคมจุดอ่อนประังคมอยู่ตรงไห น, นมาศึกษาหมดเเป็นมาเก็ตติ้งหรือเป็นการตลาดที่ ใช้วิชาอื่นเข้าผสมเยอะใช้วิชาทางจิตวิทยาขนบ ร, รมเนียมประเพณีวัฒนธรรมขานิยมความต้องการขั้นพื้นฐานของคนตรงนั้นว่ามีอะไรของอย่างเดียวสีต่างกันขนาดต่างกันเพราะว่าพื้นฐานคนไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันปรุงเพื่อจะได้เงินจากลูกค้าแต่นั้นเองแต่ลูกค้าก็เป็นปลาที่ออยเยือก ง, ง่ายซะด้วย เพราะฉั้นจึงมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องรายรับกระจายกันอยู่ตลอดเจ้าชาสิตถานั้นที่จริงมันมีการเสนอเยอะแล้วเสนอเป็นรูปบริการซะด้วยไม่มีการสนองเพราะอะไรพ่อทรงเห็นโทษมันเป็นการเทียบเคียงคือความคิดเทียบเคียงเนี่ยทำเป็นเรื่องสาคัญที่สุด แล้วเราจะเห็นว่าตลอดเส้นทางชีวิตของเจ้าชายิทธัตถากรที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะมันมีลักษณะศึกษาสืบสวนสอบถามแล้วก็พิจารณาเทียบเคียงตลอดและตัดสินใจเลือกเอาที่ดีที่สุดในแต่ละจุดของสิ่งเดล่านั้นแล้วก็อายุยาวอายุในการใช้งานนี่จะยาวจนกลายเป็นพื้นอัธยาศัยนั้นสําหรับ โพรงเองมันเป็นเพื่อนทางสมาธินี่สูงมากเราเนึกดูว่าในพิธีวัปะมงคลแรกนาะขวัญก็เหมือนกับที่จะมีในวันที่สิบห้าเนี่ยก็พิชีุมงคลเนะี่ยก็มาจากอินเดียฮนะก็พิธีแบบเดียวกันคนก็แห่กันมาดูกันแต่เจ้าชาติธาไม่สนประไทยเลย เขาจัดม่านวงมา่านกันภายใต้ต้นว่ามีที่ประทับนเงียบๆพวกพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ไปดูการแรกนากนรตานก็นั่งสมาชิหรือเจริญสมาธิพักเดียวนะะได้ความสงบได้บรรลุปฐมฌานมันก็กลับไปสู่บารมีเราเย็นว่าอิทธิพลของบารมีที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่มีใครอย่างรู้ได้ ความสำเร็จในปัจจุบันนั้นไม่ไม่ใช่เหตุปัจจุบันอย่างเดียวแต่ว่ามีเหตุอดีตที่มากกว่าเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเรานั่งสมาธิกันแทบเป็นแทบตายนะบางทีไม่ได้เรื่องอะไรเลยแต่คนท่านทรงพระเยา่าประชนพนรรักแก่แค่เจ็ดขวบทแต่เด็กแก่ทรงนั่งสมาธิได้นี่ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งที่เวลาเนี้ยเราเอาเด็กมาฝึกก็ไม่สงบสงบด้วยการเล่นเกมด้วยอะไรก็ตามนะ แต่ให้สงบอย่ามัวมองหมกมุ่นเดี๋อวมุ่งไปสู่ความสงบหรือบางทีก็เป็นการประเทืองปัญญานะเช่นว่าแจกสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ตามสร่าวัฏปัญญนาต่างๆให้เด็กแบบเล่นไพ่นะผสมตัวสอนกันมันก็เสริมปัญญาเสริมความสงบเสริมความคิดอยู่ในแวดวงที่ไม่สับสนแล้วใคร เล่นได้ดีก็แสดงว่าก็เป็นคนแตกศาดในภาษานั้นๆมันพัฒนามีความก้าวหน้านกันไปเรื่อยๆพราะพื้นฐานยินดีในความสงบเนี่ยมันเป็นฐานหลักพะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยมันจะสร้างปัญญาแล้วจะชำระศีลเพราะใจะยินดีในความสงบในการละเมิดศีลไม่เกิดออกแต่คนที่ละเมิดศีลก็แสดงข้างในมันไม่สงบ มันสงบแล้วคุมไว้ไม่ได้คุมไว้ไม่ได้มันก็ล้นมาจากข้างนอกก็เรียกเป็นบีติกันมาข้อนี้ก็เป็นหลักที่น่าจะบูชาคือโดยเส็จรอยอย่คนบาทของพระพุทธเจ้าเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังตนเวเนี้มีภาพพุทธประวัติญี่ปุ่นก็ทําเป็นวิดีโอเผยแพร่นะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันสอนแบบหายานบางที่มันไม่ค่อยมีเหตุผลเอามาเปิดดูกันก่อน ก็มันสับสนในเงื่องขายบางอย่างเพราะญี่ปุ่นมันนิกายเขาเยอะเราก็ไม่รู้ว่าลทัทธินิกายอะไรไมีเป็นร้อยๆแล้วมั้งนิกายเนี่ยประกานต่อไปก็คือเรื่องที่นักศึกษาคือพื้นัทธยาใสเราจะเห็นว่าเด็กบางคนในทารุณโหดร้ายชอบเป็ดเบียนสัตว์ชอบรังแกสัตว์ชอบยิกชอบค่วนชอบทุบ เจ้าชายจิตถาต น, นเมตตาจิตนี้จะสูงมากมีคราวหนึ่งเทวทัตกุมารเนี่ยไปยิงหงส์ซึ่งบินผ่านในอุทยานแล้วก็ถูกลูกธนูแล้วมันก็แฉลับไปตกที่อุทยานของเจ้าชายจิตต ถ, ถาเจ้าชายจิตตถาอยู่ที่นั้นผลดีก็เข้าไปอุ้มพนุถ น, นอมหงอุ้มอย่างธนุถนอม แล้วก็่อยถอดทุกศร อ, ออกแล้วก็นําไปรักษาช่วยช่วยให้รอดเทวทัตก็ส่งคนมาขอโงงคืนท่านไม่ยอมให้นะท่านบอกว่าเป็นหงงของท่านเพราะท่านช่วยไว้ถ้าว่าโงงตายนะก็คงเป็นของเทวทัตหรอกแต่โงงยังรอดยังไม่ตายเพราะนั้นผู้ฆ่าไม่มีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ช่วย ก็เรื่องกระราจนถึงขึ้นโรงขึ้นศาลกันในสุดศาลพิพากษาให้เจ้าชายสิทธัตถะชนะก็ะเทวทัต ก, ก็เจ็บใจมาปวสมควรท่านก็เอาไปดูแลทนุถนอมรักษาจนหายแล้วก็นำไปปล่อยไม่ใช่เด็กธรรมดาก็แสดงว่าเป็นเด็กพิเศษมากกับพื้นอัตยาศัยนี่มันจะมีเมตตากุณาสูงมากแต่ลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้เจาะจงคนระดับ พระโพธิสัตว์เสมอไปเราเองในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมนุษยธรร ม, นะมนก็คือฐานของมนุษย์แล้วที่จริงมันเริ่มพัฒนาจิตเข้าไปสู่เมตตาศีลก็ปาณาทิบาตเองพัฒนาไปสู่เมตตาพอถึงเมตตาแล้วในศีลอีกกี่ข้อก็ตามนะสามารถรักษาได้สราบเท่าที่จิตจะมีเมตตาอยู่ มันจะไม่ประทุสร้ายต่อชีวิตไม่ประทุสร้ายต่อทรัพย์ไม่ประทุสรา้รรายในทางเพศไม่โกหกหลอกลวงเป็นต้นมันจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเราเมตตาต่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องโดยในขณะนั้นๆดัง น, น, นั้นตรงนี้ก็เหมือนกันสังคมเรามีความรุนแรงมีความแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาอย่าลืมนะฮะเมตตาเนะี่ยก็บารมี ที่เคยพูดมาแล้วในวันก่อนแต่ตอนนี้เราก็พูดในแง่ที่เรียกว่ามันอยู่เป็นลักษณะนิสัยของเจ้าชาชติทธตถะบารมีตรงนั้นแหละมันติดตัวมามาติดพบติดชาติมาพะท้าให้เราเห็นกระแสอย่างหนึ่งคือกระแสของบุญบารมีที่คนสร้างไว้เนี่ยุเจ้าทรงแสดงโดยสรุปว่ากรรมย่อมจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันคนเกิดแวะมาถึงนี่มันต่างกันแล้ว ต่างกันเพราะอะไรไม่ใช่ต่างกันจะเพราะปัจจุบันอย่างเดียวแต่ว่าอดีตเนี่ยมันจะใหญ่เพราะว่าตัวสร้างมาให้เกิดในแง่ของกรรมจะเรียกว่าชนกับกับคือกรรมที่นํามาเกิดทําให้คนแตกต่างกันมาตั้งแต่ต้นแตกต่างกันในด้านสถานที่เกิดครอบครัวที่เกิดสกุลที่เกิดแตกต่างกันในรูปรักษรร่างลักษณะนิสัยใจคอส่วนสรงสถานต่างแตกต่างกันแห่งยุคสมัย แตกต่างกันในพื้นอัตยาสัยที่จะซึมซับความดีหรือความชั่วบางคนซึมซับความชั่วง่ายซึมซับความดียากบางคนก็ซึมซับความดีง่ายแต่ซึมซับความชั่วยากพระเจ้าประสงค์แสดงเป็นฐานให้คิดว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่ว่าคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ว่าคนดีทำได้ยาก เันาะในสิ่งทั้งหลายเนี่ยเอาก็จริงเราถามว่าใครทําล่ะว่าสิ่งนี้ทําง่ายหรือทํายากถามว่าใครทําล่ะมันไม่มีอะไรง่ายอะไรยากหรอกสมับคนบางคนนะะแต่ว่าถ้าทุกๆคนแล้วมันก็บางอย่างก็ยากบางอย่างก็ง่ายมันจะมีคนหนึ่งทำได้อยู่เสมอนะบางคนฆ่าคนโดยไม่ปริบตา วังดีเขาสัมภาษณ์อะไรเวลาก็ทําผู้ต้องหานําผู้ต้องหามาสัมภาษณ์เราเออมันคิดได้ยังไงมีคิดอย่างนั้นออกมาได้ยังไงพูดหน้าเฉยตาเฉยเนี่ยฮะนั้นก็แสดงใหเห็นว่ามันพื้นฐานที่เป็นอดีตเนี่ย ม, มีคุณธรรมน้อยแต่ยังเจ้าชายเทสกพื้นฐานในอดีตที่มีคุณธรรมสูงเพราะว่าอะไรล่ะท่านรับ รับในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มกิเลสทั้งนั้นเน่ยมันยั่วยวนด้วยแสงด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสต่างๆเนีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันยั่วยวนตลอดระยะเวลาเลยกระตุ้นราคะเป็นพื้นนะฮะกระตุ้นราคากระกับโลภะนี่เป็นพื้นเลยอยู่ในแวตวงตรงนั้นลองสังเกตนะแวตรวงอย่างนี้คล้ายๆกับบากับผับอะไรตนะ่างมันกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโมหะนี่เป็นพื้นไอ้โมหะไม่ต้องพูดอนะ่ะเขาก็อยู่ตลอดอ่ะ แต่ใดที่คนยังโง่อยู่เนี่ยแต่ทำไมว่าพระไทยไม่อ่อนไหวล่ะมันเจาะจงนะฮะเจาะจงปีเป้าหมายชัดเจนเลยคนเหล่านั้นต้องการจะดึงเจ้าชายไว้ในวังแต่ว่าทำไมไม่สมเร็จเพราะว่าพื้นอัธยาศัยเนี่ยมันมีบา ร, รมีอยู่เบื้องหลังมันซึมซับก็ไปไม่ได้มันก็ใกล้ๆกับ น, น้ำที่สะอาดมาก แล้วคนเอาน้ำสกรปรกเทลงไปมันก็ถูกสลายน้ำ น, นั้นจะอยู่ไม่ได้เพราะงั้นลักษณะตรงนี้มันก็กลายเป็นเรื่องชีน่น่าน้อมนำมาสักการบูชาในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขาบูชาเนี่ยคือทำยังไงให้เจริญเมตตาต่อคนทั้งหลาย หรือว่าทํายังไงอย่าอ่อนไหวแก่อาการยั่วยวนยั่วยวุวยั่วยวนมากเกินไปไม่ใช่ว่าเขาโฆษณาอะไรที่ไหนรถแรกแจกแถมที่ไหนแล้วก็ไปกับเขาเรื่อยเลยหลายปีมาแ ล, แล้วมาเป็นคนถือคือไม่ตีเด็กนะ ถ, ถือว่าคนเราถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเราไม่อยากทําบาปหรอกที่เกียดไปตีคนไม่เตี้ะแต่ว่าเอาลม แม่จะพูดคนพูดซ้ำพูดซ่าบันทีก็เบื่อเมั้งกันเด็กมันไปเดินขบวนมาหอบมาน่าสงสาเลยโซมมาเลยเนะี่ยข้าวปลาก็ไม่ได้กินทาไปไหนมาไปเดินขบวนเดินเรื่องอะไรเขาไม่ทราบเป็นเขาเดินแล้วก็เดินขเขา้วยแล้วได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันตอบไม่ได้ ก็ได้อะไรนั้นเราลองดูวความคิดเนี่ยความคิดของคนเป็นนั้นมากที่ปัจจุบันที่มีกิจกรรมอะไรแล้วก็ไปเสนอหน้าเดินขบวนประท้วงแบกป้ายแต่งตัวทําอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเข้าใจว่านั่นคือความดีงามแต่มนุษย์เนี่ยเขาไม่ใช้วิธีนะั้นนะก็ใช้วิธีคุยกันคนที่จิตสํานึกไม่ต้องใช้อํานาจปราบใหญ่ไม่ต้องใช้ข่มขู่ไม่ต้องใช้ปิดถนน ในต้องใช้วิธีการประท้วงคือคนบางคนในถ้าประท้วงแล้วก็เลิกพูด ก, กันเลยคือแสดงว่าตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่เคารพศักดิก์ศรีของคนอื่นด้วยเพอประท้วงเนี่มันเกิดโลภะแล้วมันเกิดโทสะแล้วมันเกิดโมหะที่จะอยู่ร่วมกันได้ยังไงเมื่อาด่าเขาเปาเปล่าเปล่เสด็จจะขอสตางค์เขานั่นคือคือคือความคิดที่ไม่มีเหตุผล แล้วเราก็เรียกร้องวาเนี่ยคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยอย่างนั้นแหะประชาธิปไตยคือการได้มาด้วยการข่มขูข่คุกคามเบียดเบียนคนอื่นพอคนอื่นเป็นพระเด็จการพอเราแล้วก็กลายเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นเลยเพราะในความคิดตรงเนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าเราไม่อ่อนไหวไปตามสื่อที่ปลุกเรา้าโน้มน้าวจิตใจเราให้เปลี่ยนแปลงไปตามสื่อที่เขากําหนดขึ้น แตะจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงซื้อทุกอย่างนั้นจะผ่านการกรองการคิดอย่างมีเหตุมีผลและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความคิดแบบเจ้าชาจิตตถาดีมันคิดซ้อนความคิดนะฮะคือหมายความว่าสามารถหาประโยชน์จากสิ่งที่มีประโยชน์โดยสถานะแต่พระองค์หาได้มากกว่า หาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หาประโยชน์จากสิ่งที่มีโทษทันหาได้ทั้งหมดวิธีมองแบบเจฉายตาเนี่มองแล้วได้ประโยชน์ทั้งหมดเพราะั้นถ้าเรามาดูตอนคำสอนเนี่ยเราเห็นว่าบางทีก็สอนจากทุกขัสสะบางทีก็สอนจากสมุทัยสัตว์บางทีก็สอนจากนิโรธสัตว์บางทีก็สอนจากมรรคสัตแต่ส่วนใหญ่จะสอนจากมรรคสัต์ ทุกขสัตริ์เนี่ยมันเป็นเป็นทุกข์เป็นสภาพปัญหาโดยสถานะสมุทัยศาสตร์เนี่ยเป็นเหตุของปัญหาโดยสถานะแต่พระพุทธเจ้าจับพลิกใช้เป็นประโยชน์ได้นิโรดนั้นแน่นอนมันเป็นคุณโดยสถานะแต่พระองค์ก็กลายเป็นดึงเป็นพลังดูดคนเข้าสัมผัสคุณตรงนั้น มากนั้นเป็นเหตุที่ให้เกิดผลคือหลุดพ้นพจากความทุกข์ประสบความสุขโดยสถาดนะังรองก็มีวิธีการสอนกระตุ้นเร่งร้าให้คนดําเนินชีวิตไปบนเส้นทางสายนั้นแล้วก็จะได้สัมผัสผลที่คนเหล่านั้นต้องการที่เรียกว่าเป็นอัธยะคือเป็นประโยชน์อิตายะคือจะเกื้อกูลสุขายะคือจะเอื้อสุขคือจะอาํานวยให้เกิดความสุขกแก่ บ, บุคคลเหล่านั้น ประเด็นตรงนี้แม้เราจะไม่ไปร่วมกิจกรรมในวันวิสาขาบูชาเลยนะแต่พยายามเพิ่มพูนณมากขึ้นที่จิตเนี่ยเอายังไงว่าอย่าอ่อนไหวอย่าปล่อยความยินดียินร้ายซึ่งเขาเจาะจงยั่วยุยั่ว ย, ยวนเราแล้วเราอ่อนไหวคือเต้นไปตามจังหวะเต้นไปตามจังหวะที่เขาเาให้เต้น ในสุดเราก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเรามีศาสดาสมัยเป็นยุอกุมารเนี่ยมีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็อยู่ได้เหตุผลและความดีการดำเนินชีวิตไปบนวิถีของสัตว์บรุษเชน์นั้นจะมีประโยชน์โดยส่วนเดียวทั้งฝั่งทางไหนต่ร่มประโพธิานรายการพิเศษในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, อกงามไปบุญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี